วันนี้เป็นวันที่สองมิถุนายนพุทธศักราช 2,555 วันที่4เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประสู ต, ติตรรุปริณิพานแล้วก็เป็นวันครบพุทธศักราช 2,500 หก0้อยสองพันหกร้อยุทธสยันตีมีการฉลองกันคือเขานับปีนี้เขานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่พศเนี่ยเขานับพระพุทธเจ้าปรินิพานพระพุทธเจ้าปรินิพานปีแรกก็นับพศ1นึแต่นี้ปีนี้เขานับ พุทธเยริตีนี่คือพระพุทธเจ้าตัดสรุปบันเดือนหเพนเขาก็นับรวมแล้ว 2,600 ปีปีนี้ฉลองกันหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาประเทศไทยก็ฉลองกันปีนี้หลายๆแห่งหลวงพ่อก็ไปที่ จังหวัดอุดอรเมื่อไม่นานมาในคือในเดือนเนี่ยเดือนพฤษภาเนที่ผ่านมาเนี่ยวันคืนเดือนปีผ่านไปแต่ว่าเรื่องความสําคัญเราจะให้ความสําคัญหรือไม่ให้ความสําคัญคนที่ไม่รู้เขาก็ไม่ให้ความสําคัญแต่พวกที่รู้ ในศาสนาของแต่ละศาสนาเขาก็ให้ความสําคัญพุทธศาสนาของเราสําคัญอย่างไรฉไหนก็คือในหลักพวกเราเป็นพุทธมารมาพุทธศาสนิกชนก็นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็ให้ความสําคัญวันเดือน6เพนเป็นวันประชุดแล้วก็ตัดจารุแล้วก็ปรินิพาน3วัน คือวันอันเดียวกันจวบเหมาะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ปรินิพานพระนพุทธศาสนิกชนจึงให้ความสำคัญแล้ว ก, ล ก, ลก็ทางโลกโลกทั้งโลกทั่วโลกเขาก็เสนอเป็นวันสากรก็ว่าเป็นวันสำคัญของโลก ที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่มวลมนุษยชาติให้มวลมนุษยชาติมีความรักสามัคคีให้อภัยเมตตาซึ่งกันและกันเขาถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะนั้นวันวิสาขาบูชาเขารดธงครึ่งเสาทั่วทั่วโลก ถือพอเป็นวันสากลอันนี้พวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนามาแต่บรรพบุรุษอันนั้นคือชาวโลกโลกทั้งโลกเขาให้ความสําคัญแต่ย้อนมาหาตัวพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราให้ความสาคัญสําคัญในวันนั้นขนาดไหนให้วันสําคัญวิสาขะขนาดไหน อันนี้ต้องมองปรับมามองเราเมองโลกไม่มีที่สิ้นสุดมองเราเนี่ยถึงเขาจะร่ำรวยยังไงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็อบเป็นเศรษฐีสำหรับเขาเรายากจนอยู่อย่างเกา่าแต่เราจะปรับปรุงยังไงเราจึงจะร่ำรวยมีอยู่มีกินเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่านั้นก็เป็นผู้ร่ำรวยเทียบเท่ากับเขา อันนี้ต้องมองตนเราจะไปมองคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่คุณแม่ชีแก้วท่านให้คําพังเพยเป็นภาษาภูไทยท่านบอกว่ารวยก็รวยเพิ่นพุ้นบ่ม า, มาคุ้มหอดเห่าแปลว่ารวยก็รวยเพิ่นพุ้นบ่ม า, มาคุ้มหอดเห่าคล้ายๆกับ ว, ว่า ถึงจะท่านจะรวยก็เป็นรวยรวยของท่านเราจนก็จนอย่างเก่าเพราะนั้นเราจะทำยังไงจึงจะล่ำรวยจึงจะมีกินมีใช้ใคล้ายๆว่าเราจะไปยินดีกับคนอื่นท่านมากจนเกินไปแล้วจะไม่ทำความดีสำหรับตนเองเฉลยก็ไม่ได้แต่เรามองคนอื่น เพื่อเป็นตัวอย่างสรุปแล้วก็คือมองคนอื่นท่านผู้อื่นเป็นตัวอย่างทำไมท่านจึงรวยอย่างนั้นท่านจึงมีความสุขอย่างนั้นมีท่านมีสุขภาพดีอย่างนั้นท่านบริหารจัดการอย่างไรท่านจึงมีความเรียบร้อยทุกอย่างอย่างนั้ น, นอันนี้ก็คือเราถือท่านเป็นตัวอย่าง ที่มองที่มองท่านคือมองท่านเป็นตัวอย่างถึงจะมองท่านเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ต้องมองตนเองอีก เ, เราจะต้องพยายามเดินตามหรือว่าปฏิบัติตามที่ท่านพาดำเนินผ่านมาแล้วนั้นมีความล่ำรวยรด้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเราจะต้องเดินตามท่านผู้ที่เดินผ่านไปแล้วหรือว่าเดิน แต่ประสบความสำเร็จมาแล้วมาแล้วประสบความสำเร็จในทางที่ดีมาแล้วเราจะต้องเดินตามนี่แหละอันนี้คือเป็นบุคคลเป็นบุคคลตัวอย่างเพราะนั้นพวกเราเมื่อมองศึกษาทันแล้วก็ต้องมองตัวของเราเองถึงเราจะไปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะประสบสำเร็จอย่างที่ พึงปราถนามีความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมเรื่องทางทางโลกและทางธรรมทางโลกเป็นยังไงถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนหน้าที่ทางฆราวาอสก็ให้ปฏิบัติตนดังนี้นะถ้าปฏิบัติถ้าผู้เข้ามาปฏิบัติฝ่ายธรรมะต้องปฏิบัติตนดังนี้นะคือมีหน้าที่คนละอย่างกันคนละแนวกัน ทางโลกการแสวงหาทรัพย์มาเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็ต้องเป็นอีกแนวลักษณะหนึ่งเอาเอาศีลธรรมเข้าไปเพียงศีลห้าก็ น, น่าจะเพียงพอพร้อมกันก็ให้แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพแล้วก็ประกอบสัมมาชีพเอาศีลห้าเข้าไปเป็นเครื่องประคับประคองก็ น, น่าจะเพียงพอสำหรับพระสงฆ์ ผู้ออกบวชไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยสี่การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมสรุปแล้วก็คือให้เขาเลี้ยงง่ายให้เหมาะสมสำหรับตัวเองอย่าไปทา จนเกินไปเมื่อเราเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นไม่เนื่องได้อย่างไรพวกเราตื่นเช้ามาไปบิณทบาทคณะชัฏทาญาโดมก็ใส่บาตรเขาใส่บาตรเพื่ออะไรเขาอยากได้บุญว่าเขาปฏิบัติอย่างพระปฏิบัตปปิปฏิบัติไม่ได้อยู่อย่างนี้ฉันอย่างนี้ปฏิบัติตนอย่างนี้รักษาศีลอย่างนี้อ ปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจอย่างนี้เขาทำไม่ได้เพราะนั้นเขาจึงอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลอยากจะได้ความสุขร่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจเขาขอทำบุญทำทานแต่เมื่อเขาทำบุญทำทานมาแล้วฝ่ายพระสงฆ์ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องพระพุทธเจ้าก็วางแนวแถวไว้ให้พวกเราปฏิบัติพระสงฆ์ฝ่ายพระสงฆ์ควรทาอย่างไร ถ้าเป็นสมัมเณยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่อายุยังไม่ครบ20่ท่านก็นให้รักษาศิน 10. สิบสัมมาณีรักษาศิน10น่าจะเพียงพ อ, อเป็นพระสงฆ์อายุ20กว่าขึ้นไปรู้นิติภาวะอายุยีสิบวชเป็นพระอันนั้นท่านให้รักษาศินสองร้อี่สิบเจ็ข้อนี่แหละ อันนี้คือกฎระเบียงที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้ที่ให้ฆราวาสญาติโยมแล้วก็สมมนเนนผู้อายุอย่างน้อยแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่เข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นสากยบุตรพระพุทธเจ้าท่านนับเนื่องเลยว่าสากยบุตรพุทธชินนรสพวกเราบวชเป็นพระเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าทั้งที่พวกเราเป็นลูก เชาวไล่ชาวนาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้ามาคลองคลองผ้ากาสาวพัดคลองผ้าเหลืองอยู่ในยูนิฟอร์มนี้พระพุทธเจ้ารับว่าเป็นสากยบุตรแต่เพียงแต่เปลือกนอกว่าเนี่ยคือบุตรยู่ในฟอร์มนี้คือบุตรคือพุทธะแต่ถ้าหากว่า การกระทําด้วยความประพฤติยังไม่เรียบร้อยยังไม่เป็นที่ยอมรับก็มองแต่ว่าเปลือกนอกท่านเองว่าอันนี้คือบุตรบุตรคนนั้นบุตรของเราคนนี้แต่ดูเป็นบุตรอยู่อยู่ในฟอร์มนี่เรีวยกว่าการกระทําของบุตรของเรา มันไปตามแนวแถวที่พ่อสั่งพ่อสอนพ่อบอกกล่าวไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองอีกในในชั้นหนึ่งอีกแต่ถ้าหากว่ายังยูนิฟอร์มนี้อยู่แต่ว่าการกระทำของพระเข้ามาในศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยทำไม่ถูกต้องนอกรูออกนอกรูนอกทางไม่อยู่ในหลักพรัรมวินยัยไม่อยู่ในไม่อยู่ในศีลและวินยัยไม่อยู่ในกฎระเบียบ ออมีที่รับมีที่แจ้งไม่มีฮิริอดตปะทำอะไรอยากจะทำก็ทำโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าแนะนำหรือสอนอย่างไรเราทำตามอเาเภอใจอัตาใจที่เราอยากจะทำแต่มันไม่ถูกตามหลักธรรมคำสอนทีพ่พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าอันนี้เท่าเราว่าเทาว่าพระพุทธเจ้าถึงจะรับว่าเป็นลูกสากยบุตรก็จะ พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าจะเป็นลูกประเภทไหนลูกนอกครอภ์หรือลูกแหวกแนวหรือลูกไปอยู่ในโอวาทของพ่อแม่หรือว่าลูกหัวเรื่อลูกเข็นแก่ตัวลูกทรยศมีมากมายที่เราจะเรียกชื่อลูกประเภทอย่างนั้นนี่แหละ พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ในฝ่ายพระสงฆ์ต้องดูตัวเราอีกทีนึงเราจะเป็นลูกอย่างไงจึงจะเป็นศากยบุตรพุทธชินนรสเป็นที่ยอมรับทั้งกายทั้งใจทั้งกายก็คือความประพฤติ ท, ที่มองเห็นแต่ทั้งใจก็คือแนวความคิดก็ต้องเป็นแนวตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทั้งฝ่ายญาติโยมก็ดีฝ่ายบัณชิต ฝ่ายนักบวชก็ดีให้ตรวจตราสั่รวมตนเองอันดับแรกก็ได้ให้มองออกไปข้างนอกสะก่อนให้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสำคัญชไหนวันนี้วันอีกไม่กี่วันวันที่สเป็นวันป ร, ประสูตรตัดสรู้ปรินิพานแต่เมื่อมองดูแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วท่านตัดสรู้อะไร เราก็ได้ศึกษาเมื่อเราศึกษารู้แนวทางว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมสมอย่างในวันเดือน6กเพนปุบเพนิวาสานุสติยานจตูป ป, ปาตาญาณอาสาวะคยายญาณอันนั้นคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพนจากนั้นก็ขยายผลขยายผลออกมาว่าปุบเพนิวาสันคืออะไรจตูปปาตาญาณนั้นคืออะไรอาสาวกคยยญาณนั้นคืออะไร จากนั้นพวกเราได้ฟังแล้วก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้นั้นจากนั้นพวกเรามองดูแล้วศึกษาดูแล้ววางท่านวางแนวทางอย่างไรที่จะให้ถึงธรรมสามจุดนั้นคารวะท่านสอนอย่างไรให้มีศีลห้าให้เป็นสัมมาทิฐิให้ยดึดพระพุทธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวทางเป็น เป็นผู้พาดําเนินเป็นนายโกเป็นนายกเป็นผู้นํำจิตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นําจากนั้น เ, ออเมื่อเราได้มองดูแล้วเราก็เดินตามเดินตามทำคําสอนของพระพุทธเจา้าจากนั่นก่อนได้มาเข้ามาบวชเป็นพระแต่ก่อนพวกเราก็เป็นฆราวาสเหมือนกันที่เป็นพระก็คือเป็นฆราวาส ในเมื่อมองเห็นแล้วเออเมื่อเป็นฆราวาสมีกิจธุระมีภาระมากที่จะเอาจริงเอาจังเนะ่คงจะยากเออเอาเราจะต้องปีกหลีกตัวออกมาเป็นนักบวชเพราะเราเคารพนับถือเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างซึ้งอย่างลึกซึ้งจากนั้นเราก็ออกมาบวชเป็นสมณีนบ้างเป็นพระ หลวงพ่อเนี่ยบวชเป็นสมณเนตั้งแต่อายุ11ปีแต่ในช่วงนั้นหลวงพ่อรู้ไหมทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรยอมรับว่าใหม่ๆไม่รู้เพียงแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือครูบาอาจารย์พาไปวัดวาศาสนาท่านก็บอกว่านี่นะเขามาบวชแล้วได้บุญพ่อแม่ได้ลูกชายมาแล้วก็ควรจะ บ, บวชให้บวชเป็นสมณี ต่อไปก็ได้บวชเป็นพระพ่อแม่ก็จะได้บุญพอได้เลี้ยงลูกมาแล้วได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องญาติพวกเกี่ยวข้องได้บุญอันนี้เราก็ฟังพ่อแม่พี่น้องส่งเสริมอย่างนั้นเราก็อยากจะได้บุญอีกเหมือนกันแต่คําว่าบุญคํานี้เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าบุญนั้นคืออะไรบุญลมหลมและรงแร ง, ง, ง, ง, งบุญนั้นคืออะไร แตน่นเมื่อเราเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาเราจรึงได้ว่กโอ้บุญก็คือความสงบพร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจถ้าทำถูกต้องแล้วบุญกุศลจะเข้ามาเกื้อกูลหนุนบุญก็คือทำจิตใจให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าคนเป็นสัมมาทิฏฐิละคนคนนั้นจะเป็นผู้มีบุญคิดในทางที่ถูกต้องทำในทางที่ถูกต้องพูดในทางที่ถูกต้องในเมื่อถูกต้องหมด คนคนนั้นก็จะมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเป็นอนันตการถ้าว่าคิดผิดพูดผิดทําผิดคนนั้นจะไปสู่ความทุกข์คือหายชนะ อ, อหาประมาณไม่ได้ อ, อ, อาจจะถึงโทษประหารถ้าว่าเป็นทางโลกออกจากทางโลกไปแล้วตายไปแล้วก็ยังไปตกนรกหมกไม่เป็นถึงอเวทีมหารกอีกอันนั้นคือมิจฉาทิฐิไปในทางที่ผิด ถ้าเอาไปในทางที่ถูกนวัดสัมมาทิฏฐิคิดในทางที่ถูกต้องทําในทางที่ถูกต้อง พ, พูดในทางที่ถูกต้องอันนี้เรีเป็นสัมมาทิฏฐิคนคนนั้นจะมีความสุขจะเป็นผู้มีบุญจะต้องได้รับบุญกุศลเข้าสู่ จ, จิตใจอันนี้พูดแบบสรุปอันนีค้คือเราอยากจะได้บุญพอเราก็มาบวชแล้วก็ต้องศึกษาเออศึกษาศึกษาแล้วเอ อ, เ อ, อ การที่จะได้บุญนั้นทำอย่างไรเป็นสัมเนนควรทำอย่างไรต่อมาเป็นพระควรทำอย่างไรจนมาถึงบัดนี้แต่อายุสิบเอ็ดปีจนถึงวั น, ว, นวันนี้มาถึงวันนี้ถ้าหาว่ามีผู้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อเสียใจไหมที่หลวงพ่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่เล็กแต่น้อยถึงขนาดนั้นมาถึงวันนี้หลวงพ่อมีความรู้สึกยังไง ร, รู้สึกว่ามีจุดอ่อนมีจุดบุกพ่องหรือว่ามีจุด มีความเสียใจไหมที่รู้ว่าคิดผิดที่แล้วเรามาบวชอย่างนั้นใช่ไหมมีไห ม, มในใจขวงหลวงพ่อณวันนี้มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่เราเกิดมาแล้วได้บวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้ทำความชั่วช้าเสียหายไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแม้แต่สัตว์เราก็ยังไม่คิดฆ่าแล้วก็เรามีแต่เดินตามแนวแถวที่ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้อย่างไรถึงจะโง่อย่างไงเราก็พยายามตะเกียกตะกายมองทำคําสอนของพระพุทธพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางให้เราเดินตามหลักธรรมคําสอนของนั้นเนี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วก็คือภาคภูมิใจในเมื่อเราเป็นขึ้นมาเมื่ออายุครบบวชเราก็เป็นพระในเมื่อครบเป็นพระแล้วเราปฏิบัติ ตามทำคำสอนศึกษาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นเรามีใหรหิีมีอดตะปะหหลิคือความละอายแก่ใจไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงอตะปะคือความกลัวต่อบาปถ้าใครคิดทำบาปแล้วมีแต่ความหายณนะมีแต่ความทุกข์ที่จะมาเข้ามาสู่คนคนนั้น พระองค์นั้นสมณี น, นอง์นั้นญาติโยมคนคนนั้น น, นเพราะฉะนั้นเราสิ่งเหล่านี้อันดับแรกก็คือต้องมองมองข้างนอกซะก่อนศึกษาซะก่อนพอศึกษารู้แนวทางก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วถึงความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเข้ามาสุ ด, ดจิตใจพวกเราเราพวกเราจะมั่นใจมั่นใจในความ ประพฤติของเรามั่นใจในความคิดของเรามั่นใจะได้ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านวางไว้แล้วอืม้มเป็นสว่างขาตธรรมจริงๆตรัสไว้ชอบแล้วถ้าว่างผู้ใดประพฤติธปฏิบัติตามทําคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมิตรความสงบพรมเย็นเป็นสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆยิ่ ง, ง, งทําจิตใจให้สงบจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิะ ที่พระพุทธเจ้าสินสมาธิปัญญาแตพวกเราอยู่ในสินจากนั้นก็มีสมาธิคือความสงบแล้วก็เดินปัญญาในเมื่อเราจิตใจของเราสงบเราจะรู้จริงมีความสุข เ, เมื่อผ่านความสงบแล้วมีความสุขเพราเหนุอะเพราะจิตใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปจากใจทั้งหมดเนืเมื่อตะล่อมจิตใจเข้ามารวมอยู่เป็นหนึ่งไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอก ให้มันหาความสุขในตัวเองดูใจของตนเองไม่ให้มันปุงออกไปข้างนอกจิตใจรวมสงบนั่นนะ่ะเทนี่เมื่อรวมสงบแล้วหามันมีความสุขยิ่งกว่าความสุขอื่นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไวจ้จริงๆจากนั้นก็นำมาพิจารณาการกรองไ ต, ตรตองด้วยปัญญาด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิพิจารณาอนิจจังทุทกขังอนัตตา พิจารณาแยกแยะร่างกายสังขารพิจารณาถึงใจตัวนึกคิดตัวนี้อีกนี่แหละมีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนที่พวกเราจะได้ใช้ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติมีมากเพราะฉะนั้นทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องศึกษาสรุปแล้วไม่ใช่มีแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะต้องศึกษาวิชาอื่นๆก็ก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะเรียนกอไก่จบแล้วก็จะรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่เมื่อเรียนกอไก่ก็ต้องมีขอไข่ขอขวดคอขวายไล่ไปเรื่อยจนถึงฮอนก่มหูแล้วก็ผสมกันอีกผสมสราระเข้าไปอีกอย่างนั้นก็อ่านให้ออกอีกแล้วก็ตีความหมายอีกแล้วก็วิเคราะห์ส่วนอื่นเข้าไปอีกวิทยาสงฆ์วิทยาศาสตร์การพ้องการแพทย์ต้องในหลักศึกษาทางนั้นวิชาในโลกเีย เพราะนั้นเราจะมาเรียนพุทธศาสนาเพียงแต่ว่ามีแต่ให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาอย่างอื่นอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องนะให้พวกเราศึกษาให้ฟั ง, ใ ห, ฟงให้ศึกษาเมื่อนำมาฟังมาศึกษาและกันกรองไตรตรองเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรในธรรมคำสอนนั้นนีน่นั่นแหละเราจะต้องเมื่อศึกษาแล้วเราจะได้ซึ้ง ซึ่งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็มั่นใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่หลอกคนแน่ไม่หลอกคนแน่ๆ แ, แ, แต่ถ้าปฏิบัติตามนี่แล้วพวกเราจะต้องเจอจะต้องประสบความสงบผาสุกในทางด้านจิตใจไม่เป็นอย่างอื่นและตอนนี้ไปคณะสงฆ์จานุมนตนาอิพอร